อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาให้ความแงคิดความคิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านดีๆนะคะเป็นการต้อนรับของเช้าวันเสาร์ที่สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วค่ะก็คือเสาร์ที่24กันยายนสอ5พนรนะคะวันนี้เป็นวันแรม12ข้ามเดือน10ปีเถาะค่ะ พบกันในเช้าวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะรายการธรรมราบรุนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่เราเออกอากาศทั้งระบบ AMFM ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศได้ตามรับฟังกันนั้นเนี่ยก็จะได้นำท่านผู้ฟังมาสนทนาธรรมนะคะหรือว่าสากชากับท่านพระอาจารย์ภพบุญอภิปุโ น, โนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโทภาโซหรือท่านพระครูสิทธิภพากลท่านจเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศก ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ ะ, ะสำหรับการพบกันในเช้าวันนี้ก็จะสังเกตได้ว่าเสาว์นี้ก็จะเป็นเสาว์สุดท้ายของเดือนกันยายนกันแล้วนะคะซึ่งก็คือเป็นการสิ้นสุดงบประมาณประจำปี2 5งพหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีว่าเหลือเวลาอยู่อีกเพียง5วันทำการเท่านั้นบรรดาพี่พี่ข้าราชการที่อายุครบเกษรราชการ60ปีนั้น ก็ก็จะได้เกษียณไปแล้วก็หยุดพักผ่อนกันนะคะดังนั้นเช้าวันนี้รายการธรรมราบารุณก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะไม่เฉพาะบรรดาพี่ๆข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการไปในอีก5วันทําการของเวลาราชการนะคะมารับฟังท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสาธาชะหรือว่าพูดคุยธรรมะเตือนสติ ให้ท่านมีความรู้สึกว่าสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆท่าน อ, า, อาจจะได้แง่คิดที่ดีๆจากการสนทนาธรรมของพระอาจารย์ไพบุลอภิปุโนโกันในเช้าวันเสาร์นี้ค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนแห่งวัดป่าดอนไยโศกพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาาเชนพานสาธุเจ้า่ะ อยากจะขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้พระอาจารย์ไพบุญได้ได้สักชาหรือว่าพูดคุยธรรมะประเด็นนี้เจ้าค่ะอย่างที่โ ย, ยมเกินมาว่าเหลือเวลาอีกถ้าไม่นับสาวอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะก็เหลือเวลาเพียง5วันทําการเท่านั้นนะเจ้าค่ะอีกห้าวันสําหรับท่านที่จ ะ, ะรับราชการมาจนกระทาั่งทําประโยชน์กับประเทศชาติมาจนกระทั่งครบเวลากเกษียณอายุราชการนะเจ้าคะ่ะซึ่งโยมคิดว่าคงจะแต่ละท่านนั้นก็ 2 0 3สปีขึ้นไปนะเจ้าคะ <c oughs> ก็อาจจะแบบว่าจะทำความรู้สึกยังไงดีเจ้าคะเพื่อว่าจะได้สบายอกสบายใจแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าสูญเสียหรือว่าขาดอะไรไปในชีวิตนะเจ้าค่ะักาการเลเจ้าคะ่ะแต่นี้ต้องเข้าใจก่อนสําหรับข้าราชการที่เกษียณอายุหรือว่าใครก็ตามที่เลิกทำงานจะไปทำสิ่งใหม่หรือว่าตัวเองหมดวาระลงแล้วแก่แล้วอย่างเงี้ยนะ อันนี้ต้องยอม <Okay. S 1> รับอันหนึ่งก่อนนะว่าหกินี้ก็ไม่ใช่หนุ่มแล้วนะ่ <Okay. S 1> ไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่สาวแล้วก็อายุร่วงเลยผ่านใบมาจนป่านนี้แล้วถูกไหม <Okay. S 1> ซึ่งอันนี้พุทธเจ้าได้เคยพูดเอาไว้กับท่านพระอ น, นุนตอนนั้นเนี่ยพระอนุนเนี่ยก็เข้าเอาเอ า, เอาผ้าเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าที่ซักซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <Okay. S 1> เขาไปถึงที่ประทับก็เห็นพุทธเจ้านั่งอยู่ก็เอา้าทำไมทําไมตัวพระพุทธเจ้าถึงได้หนังก็เหี่ยวอ่า ผิวพรรณก็ไม่ผุดผ่องอะไรต่างๆก็ยังเกิดขึ้น <Okay. S 1> แล้วก็พูดว่าทำไมสิ่งนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนทำไมร่างกายพระเจ้าถึงได้เสื่อมไปขนาดนี้พระเจ้าก็บอกว่าอันนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นความแก่เนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มเสความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตแล้วก็ความเจ็บไข้เนี่ยก็มีซ่อนอยู่ในความสบายเพรา ะ, ะนั้นเราจึงเสื่อมไปเสื่อมไปเป็นธรรมดา ทีนี้ประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจคือแทนที่เราจะมาเศร้าโศกโอ้ฉันกเกษียณแล้วฉันไม่รู้จะทําอะไรอํานาจฉันก็จะหมดไปเนี่ยตัวเราจะเป็นทุกข์เราต้องควรจะมาคิดว่าเราได้โอกาสแล้วนะโอกาสมาถึงเราแล้วที่จะทําทสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราเหมือนอย่างบางคนเข า, าเลาออกจากงานอย่างนี้นะคุณเตือนใจไปที่ทํางานใหม่ เ อ, อกจากที่ทํางานใหม่คนที่ได้งานใหม่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็แม้ถ้าข้าราชการทํางานมายี่สบสาสปีคงอาจจะไม่ได้เคยเปลี่ยนงานเนาะแต่ถ้าในฝ่ายเอกชนเนี่ยที่เขาพนัก ง, งานที่เขาเปลี่ยนงานบ่อยๆหรื อ, อมีการเปลี่ยนงานจากบริษัทนี้ไปอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยแน่นอนเขาก็ยังต้องมีความเาสีอยใจอยู่บ้างที่เอาชันลาจากบริษัทนี้แล้วทำงานมาหลายปี แ, แต่ไปบริษัทใหม่เนี่ยก็มีงานที่ดีกว่ารออยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะครับค่ะ เพนตรงนี้จะมีโอกาสบ้างของเราถ้าเรามาพิจารณาว่าโอกาสบ้างที่เราจะได้ทําบุญทำกุศลนะเรายุ่งมาตลอดชีวิตเนี่ยพอถึงจังหวะนี้เราจะทํำยังไงซึ่งพระเจ้าก็เตือนอทุกคนเอาไว้ว่าเหมือนกับหม้อ ด, ดินคุณเตนใจว่าบางทีใบเล็กก็มีใบใหญ่ก็มีนะที่เผาก็มีที่ยังไม่เผาก็มีนะทั้งหมดนี่ต้องแตกหมด เราจะเห็นว่าบางคนหม้อบางใบเนี่ยแตกตั้งแต่ยังไม่ได้เผาหรือเผาแล้วมันแตกหรือบางทีสุกออกมาจากเตาแล้วใช้งานไปแล้วมันจะค่อยแตกก็มีอย่างราชการบางคนก็ไม่ได้ว่าจ ะ, กะเกษียณอายุ60ถูกไหมบางคนก็ Earl ์ลี่รีทใช่ไหม <Okay. S 2> กเกษียณอายุ ก, ก่อนเวลาบางคนนี่อาลาออกไปทําอย่างอื่นก็มีบางคนก็ย้ายไปส่วนเอกชนบางคนก็ตายใช่ไหมยัง ไม่ครบอายุราชาการก็มีอย่างทหารภาคใต้เราก็ยังเคยเจอพวกนั้นนะเนะาะโจค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาที่ต้องเสื่อมไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะในเมื่อเราจะต้องเจอสิ่งนี้เราจะทํำยังไงอาตมาเคยเจอข้าราชาการหลายๆท่านนะอย่างที่คุณเตือนใจพูดอะ่ะพอลาออกหรือว่าเกษียณมาอายุมาได้ไม่เกินสามปีตายเลยเจ้าค่ะเนื้อันนี้ก็มีเนาะเราก็เคยเจอกันอยู่เหมือนกับท่านเศร้าใจแล้วก็เหี่ยวเฉาไปเลยนะเจค่ะม่ราะว่าไม่ได้ทํางานเจค่ะ ไม่รู้จะทำอะไรแล้วกออ็อำนาจอะไรต่างๆนี่หมดเลยน ะ, ะแทนที่เราจะสั่งลูกน้องได้มีลูกน้องมาคอยห้อมล้อมตามหน้าตามหลังจะขยับนิดนึงคนก็เข้ามาช่วยบริการอย่างเงี้ยน ะ, ะเรื่องกันบงคนเพราะฉะนั้นพอพอหมดอีกสี่ห้าวันเนี่ยจะเกษียายุพอเกษียายุแล้วเนี่ยหมดเลยนะหมดเลยที่เรามีมานี่หมดเลยอ่าทีนี้ทายังไงล่ะ พรูชาเปรียบเหมือนกันอย่างนี้คุณตื่นใจถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ฟังตอนก่อนๆเนี่ยเราจะเปรียบเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งเขาก็มีก็เรื่ออะไรสัมภาระของเขาอะตอนแรกๆก็มือว่างๆใช่ไหมแล้วก็มีคนเอาของไม่ถือมือหนึ่งถือไปถือไปเฮ้ยก็เอามาให้ถืออีกมือหนึ่งถือไปจนเต็ม2มือละก็เอามาให้สบายบาข้างหนึ่งสะพายบาข้างหนึ่งแล้วสะพายบ่าข้างหนึ่งจนสะพายบาเต็ม2ข้างละก็เอามาให้เราหอบอีก นะอาหอบเอาไว้หอบเต็มแล้วก็ยังมาให้ทุนหัวทูนใส่หัวอีก จ, นะจนถือหนักมากเลยซ้ายขวาหน้าหลังหอบด้วยทุนหัวด้วยบายก็เต็มไปหมดข้างหลังก็เอาเป้มาให้ช่วยหิ้วอีกพอถึงวันกเกษียนนะเราปล่อยหมดเลยวางหมดเลยเบาไปเบาไปเลยเบามากนะบนพุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนกับเรื่องนี้เป็นของหนักภาระที่เราต้องแบกเอาไว้นะเจ้าค่ะ พระองค์ก็เคยพูดไว้ตอนหนึ่งนะคุณเตือนใจตอนนั้นมีชาวบ้านเนี่ยโอ้มาห้อมล้อมเอตโลว่าเนี่ยพระผู้เช่าเลิศอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะมาขอฟังทำนะผู้เช้าก็เลยบอกอุปถากตอนนั้นอุปถากชื่อนากิตะตอนนั้นพระอนุลยังไม่ได้บวชหรือว่าบวชแล้วแต่ยังไม่มาเป็นอุปถาคนี่แหละจ <ing> ก็เลยบอกกับอุปถาบอกว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยนะ ไม่มีคนมาข้างหน้ามองไปข้างหน้าไม่เห็นใครมองไปข้างหลังไม่เห็นใครเนี่ยก็สบายใจแม้แต่การจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาว ะ, ม, ะมันจะสบายใจไม่ต้องมีใครมากวนอย่างขา้าราชการระดับสูงบางคนหรือว่าหรือว่าอย่างพระสงฆ์ที่มีชื่อเสี ย, ยงเนี่ยคุณเตินใจคนมากๆเนี่ยนะคนมาโอ้โหมาเราต้องต้อนรับเนี่ยนะจะเวลาหาเวลาไปถ่ายปัสสาวะอุจจาระเนี่ยยังยากเลย เจ้าค่ะจะไผ่ลงมาตรงนั้นยังยังไม่ได้เลยมัน โ, <S 2> <S 2> โอ้ยมันติดขัดไปหมด <S 2> <S 2> <S 2> นั่นจะดื่มน้ํายังต้องพิจารณาอีกเดีย๋ยวเราเคยเอาจจะเห็นเวลาที่เขาจัดงานพระราชพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่เคยเห็นประธานที่มาในงานเนี่ยดื่มน้ําเลยนะคุณเตือนใจเคยสังเกตไหมเจ้าค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเป็นประธานเนี่ยประธานมันจะมันต้องมีมาศหน่อยถูกไหมมันจะ <S 2> <S 2> <S 2> มาหาทําอะไรที่ไม่ค่อยดีก็จะไม่ได้ อยู่จะลุกไปเข้าห้องน้ําอะไรก็คงไม่ <คน S 1> ได้ใช่ถึงเวลานั้นเนี่ยก็ต้องอดทนเอาอั้นเอาซึ่งตรงนี้พระเจ้าเห็นว่าเป็นภาระที่เราจะต้องต้องมาถือเอาไว้นะเพราะว่าเราสมโมโขนอยู่นี่สมโมโขนคุณก็ต้องเล่นตามตําแหน่งใช่ไหมคุณมีหน้าที่คุณก็ต้องทําไปตอนนี้มันวางหมดแล้วมันจะวางแล้วมันจะเบาแล้วนะเรามีพระเจ้าใช้คํานี้ว่าโอกาสว่างโอกาสว่างเนี่ยไม่ใช่เสียนะนะแต่เป็นโอกาสว่างที่เพิ่มขึ้นมา เราไม่ได้เสียของที่เราจะต้องวางเข้าไปเลยนะพวกนั้นหนักเปล่าเล่านะสิ่งที่เราจะได้ก็คือโอกาสบ้างในการที่จะแบบไปพักผ่อนสบายๆอย่างเงี้ยอย่างบางคนที่ทํางานหนักๆอะ่ะคุณเตือนใจแต่มาก็เคยทํางานก่อนนะแม้พอ <Okay. S 1> วันวันจันร์เนี่ยเราโอ้วันจันอีกแล้วตายละา <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> ทํางานเลยเป็นงี้ย น, นะเจ้าค่ะแล้วพอวันพฤหัสเนี่ยเริ่มเล็งแล้วโอ้สุดสัปดาห์นี้เราจะไปไหนดี แล้วก็จะหาอะไรมาทําดีในสุดสุดสัปดาห์นี้สามอาทิตย์ภอวันอาทิตย์ตอนบ่ายโอ้เศ้าอีกแล้วว่าวันจันทร์ต้องไปทำงานาค่ะเพราะทำไมเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมถ้าคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ ย, อยงั้นเกษียณเถอะหรือไม่ก็ลาออกเถอะมาหาโอกาสว่างในการที่เราจะอยู่ว่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามาอยู่ว่างๆแล้วเนี่ยเราจะสบายนะชีวิตเราจะเบาจะเบาแล้วทําอะไรนะคือต้องมีข้อสังเกตตรงนี้สําหรับนะบุคคลที่ เคยทำอะไรมาเคยชินเป็นเวลาหลายๆ10ปีเนี่ยพอถึงเวลาที่เราไม่ได้ทําสิ่งนั้นเนี่ยมันจะโบว์คือคือช่องมันจะมีช่องว่างอยู่ในในชีวิตของเราใช่ไหมเหมันมันว่งวางนะจะทำพิธ<า>ีอะไรจะทำบาง ค, คนก็บอกว่าชีวิตเงาชีวิตไม่มีอะไรเลยเบื่อหนายไม่มีสีสันในชีวิตเพื่อ น, นเพืขาก็ตายกันหมดแล้วหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่มาชวนเราอย่างเงี้ยนะตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องไปทํางานไม่มีใครมาโทรกวนชีวิตฉันเหมือนขาดอะไรไป ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นโอกาสว่างช่องว่างมันเปิดแล้วมานเผลอแล้วในตอนที่อดตมาบันบวบใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมไม่มีใครโทรกวนเลยนะคุณเดินใจคือเขาจะโทรก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่มีโทรศัพท์นะไม่มีใครโทรกวนเราไม่ต้องรายงานกับใครนะเราไม่ต้องหัวหน้ามาโทรจิกหรือว่าลูกน้องมาโทรตามอหรือว่าเพื่อนร่วมงานมาโทรกวนมันเราสบายนะแล้วเราทําอะไร นี่อาจถึงต้องมีของทำแทนของมาทดแทนนะถ้าเราเคยทำงานมาหมดแล้วที่ไหนเราก็เคยไปมาแล้วอาหารอะไร ด, ดีเราก็กินมาหมดแล้วนะก็ต้องมาหาความสุขที่เหนือกว่าขึ้นไปนะซึ่งพระุเจ้าบอกว่าตรงนี้เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากในภายในใะนะโดยบางทีแค่ว่าเาจะไปวัดทำบุญหรือว่าไปวัดนั่งสมาธิลาสักสองสามวันเนี่ย ยังจะยากเลยบางบางคนนะเสาร์อาทิตย์ยังต้องทำงานอีกก็มีนะนะเพราะฉะนันะ้นว่าสองวันบ้างนี่ก็ไม่มีหรอกก็ทํางานทุกวันแต่พอเกษียณแล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสบ้านในการที่จะสั่งสมสร้างบุญกุศลทีนี้บางคนก็พูดแบบโอ้ยไม่ไม่จำเป็นแบบไม่รู้จะทำไปทาไมใช่ไหมก็ต้องชี้แจงให้ทราบว่าคือในโลกนี้มันมีความสุขอยู่สองแบบนะความสุขที่เกิดจาก สิ่งภายนอกอย่างหนึ่งคือต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมาช่วยให้เรามีความสุขหรือว่าความสุขอย่างที่สองเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากในภายในถ้าใครเคยทํางานใช่ไหมเคยอยู่ในระบบราชการหรือว่าทางเอกชนก็ตามเนี่ยเวลาได้รับเงินเดือนอย่างเงี้ยปีนี้เงินเดือนขึ้นนะดีใจใช่ไหมเลื่อน2ขั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะรนะหรือว่าปีนี้มีโบนัสมีมีเงินเพิ่ ม, เ ต, มเติมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็จะดีใจ อันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากคนอื่นเอาสิ่งมาล่อหรือบางทีเราทํางานดีหัวหน้าชมเราเพื่อนร่วมงานชมเราเราก็ดีใจขึ้นมาอันนี้ต้องอาศัยเขาพูดเราถึงจะดีใจใช่หมอันนี้เป็นความสุขจากภายนอกแต่ว่าพอเราออกจากงานเนี่ยไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยโอกาสมันว่างเราไม่ต้องหาความสุขที่เกิดจากคนอื่นเอามาให้เราอย่างเช่นว่าบางคน กลับมาที่ตัวอย่างความสุขจากภายนอกอีกนิดหนึ่งอย่างบางคนไปดูงานต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ฉันก็ไม่เคยเห็นอันนี้ฉันก็ไม่เคยกินพอเห็นแล้วกินแล้วรู้สึกสบายใจดีใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไห ม, ไหมแต่ความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีกว่าอย่างเช่นว่าเวลาเราเห็นเด็กช่วยเหลือคนแก่จูงข้ามถนน หรือว่าเห็นลูกที่กระตันยูต่อแม่หรือว่าอ่านเรื่องราวอะไรที่มันซึ้งๆเป็นคติเตือนใจเนี่ยเราจะมีความสุขในภายในเกิดขึ้นไม่รู้ว่าใครเคยมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างไหมเจ้าค่ะเหมือนกับเราเกิดความชื่นชมปิติขึ้นมาะนะคะนั่นแหละเป็นความวสุขที่เกิดจากในภายในยหรือบางทีเราทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดีนะเช่นว่าอ่า เจอของที่ตก อ, อยู่แล้วก็เก็บไปคืนเจ้าของเงี้ยนะเราก็มีความดีใจสบายใจที่เกิดจากการที่เราเป็นคนดีแต่ซึ่งตรงนี้เราทําเองได้ไม่ต้องอาศัยคนอื่นก็เลยต้องบอกให้ฟังว่ามันมีที่เหนือคนนั้นอีกอมีที่เหนือคนนั้นอีกตอนที่เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งอ่ะคุณเตือนใจเขามาบอกว่าโอ้ยแม่ของเขาเนี่ยนะอายุเจ็ดสิบแล้วมั้งหกสิบกว่าเจ็ดสิบนั่นคือคนที่กเกษียณไปแล้วไม่ได้ทํางานเนี่ยอพอ เราไม่ได้หาอะไรมาทำแทนเนี่ยมันจะว่างใช่ไหมจะว่างแล้วก็เลยจะเบื่อเบื่อแล้วก็จะขี้บน่น ใ, <ช>ในขี้บ่นแล้วก็เอาใจยากคนแก่บางคนจะเป็นอย่างนี้<ช>นะคือคนเนี้ยลูกศิษย์คนเนี้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแม่เขาขี้บ่นมากเอาใจก็ยากซื้อของอะไรดีๆมาให้กินก็บ่นตลอดซื้อทาซื้ออะไรดีๆมาให้ใช้ก็บ่นตลอดไม่มีอะไรที่จะทําให้แม่ของฉันนี่พอใจได้เลยไม่รู้<ช><ช>จะทายัางไง<ๆ>มาถามพระมา เจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์ตอบว่าไงเจ้าคั่ะต้องทําให้เขาเข้าใจตรงนี้ว่าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยหรือว่าผ่านวัยร่วงเลยมาจนถึงป่านนี้แล้วเนี่ยไอ้ความสุขทางภายนอกเนี่ยมันเจอมาหมดแล้วนะอะไรที่อร่อยอร่อยเนี่ยเขาก็กินมาหมดแล้วประสบการณ์มันเยอะเต็มที่แล้วตาหูจมูกดินกายเนี่ยมันไม่มีอะไรทางลวกภายนอกเนี่ยนะที่จะมาทําให้เขาพอใจได้ดีหรอกไปดูหนังไปเที่ยวต่างประเทศ มันไม่ได้ทําให้เขาจะมีความสุขขึ้นมาได้จากที่เขาเคยมีมาก่อนเปรียบเทียบกันมันก็พอๆกันไม่ได้ดีเด็กกว่ากันอะไรเท่าไหร่ <Okay. S 1> เราต้องหาของที่เหนือกว่าให้เขาซึ่งอันนี้จะสอดคล้องกับที่พระเจ้าสอนว่าให้เวลาพ่อแม่เราใช่ไม้มหรือว่าญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยถ้าผบว่า เราจะต้องการตอบแทนท่านจริงๆเนี่ยนะท่านมีบุญคุณกับเราใช่ไหมแทนที่เราจะหาของมาให้อันนี้ก็กดีระดับหนึ่งนะ<ช>หา <ๆ S 1> ของมาให้ซื้อแบรนด์มาฝากซื้อของเถื่องอะไรมาให้เนี่ยให้ความบำเรอประครบประงมอย่างดีที่สุดทางตาทางหูจมูกลิล้นกายเราก็จะไม่สามารถเป็นการตอบแทนบุญคุณได้เทียบเท่ากันได้กับการที่นะถ้าท่านไม่มีสีใท่านมีศีถ้าท่านไม่มี สมาธิให้ท่านมีสมาธิถ้าท่านไม่รู้จักการให้ให้รู้จักการให้ถ้ายังไม่มีปัญญาเรื่องรู้เห็นอริยสัจก็ให้ท่านมีเพราะฉะนั้นถ้าถ า, ถาใครที่มีโอกาสว่างอย่างนี้นะแล้วชีวิตที่ผ่านมาของเรายัางไม่ค่อยมีศีลนะให้ทำการศึกษานะปฏิบัติในการที่จะให้ชีวิตของเรามีศีลเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้จะนาความสุขมาให้ที่มากกว่าเราไปกินข้าวมากกว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศมากกว่ามีคนมาชมเรา ทำไมชีวิตฉันตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นรู้จักว่าพระไบบุญอันนี้พูดอะไรก็ถึงต้องมายืนยันในรายการนี้ว่ามันมีของให้ทําถ้ายังไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมให้ใช้โอกาสว่างนี้แหละทําให้เห็นทําให้ทราบอย่างข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นที่มาเมื่อคราวที่แล้วเนาะ<ช>นะแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ย ก, ก็ได้ประสบประสบการณ์ของแต่ละคนเองที่จะเกิดจากความสุขที่เกิดจากในภายใน <Okay. S 2> ซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสว่างอย่างนี้แล้วเนี่ยให้หาความสุขประเภทนี้อยู่ที่ไหนไปตามหาศรัท ธ, ธาใครไปถามแนวะรู้จักใครไปไปใกล้กรวนนะไปหาข้อมูลเพื่อที่จะใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขชนิดที่เหนือกว่าที่เราเคยเจอมานะทีนี้พอลูกศิษย์คนนี้ก็เอาไปทำใช่ไหมพาไปนั่งสมาธิบ้างาไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่ว่าให้ไปให้ธรรมะไปฟัง นะหรือว่าพาไปให้ทานรักษาศีลอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่บ่นน้อยลงใช่ใชจากที่วันหนึ่งเห็นอะไรไม่ดีบน่นทุกบ่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยน ะ, ะก็มาเป็นพูดดีๆบ้างก็มีใช่ไชทำไปปีสองปีก็บน่บนบ่นแทบจะไม่บ่นเลยแล้วก็มาพูดแต่สิ่งที่ดีๆหาศีลธรรมเข้าตัวก็จะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีสง่าราศี คือ ค, คนแก่ระดับนี้เนี่ยต่อให้เอาอะไรมามาโปะเอาไว้ครีมทาหน้าเด้งมาทาหนาขนาดไหนมันก็ยังเหี่ยวอยู่นะมันก็ต้องเป็นไปตามวัยของเขาใช่ไหมแต่คนที่เริ่มผ่านวัยล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าผือว่าเราไม่หาสิ่งที่เป็นสง่าราศีเข้าตัวเนี่ยร่างกายเรามันจะเอาไม่อยู่มันก็จะเสือเส่อมไปเสื่อมไปใช่ไหมมันก็จะมีแต่ความแก่งอมแก่มากแก่จนกระทั่งทาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ย ทีนี้ความงามตรงนี้มันจะอยู่ที่ไหนอ่าซึ่งพระพุทธเจ้ า, าก็พูดถึงศีลธรรมเนี่แหละเป็นความงามของบุคคลผู้นั้นอ่าแล้วก็อย่างในบางครั้งเราทํางานในที่ทํางานอย่างเงี้ยนะมีชื่อเสียงกิติศัพท์ล่ํำลือไปว่าโอ้คนนี้เป็นคนมีฝีมือทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยซึ่งพรุทธเจ้าก็เปรียบเทียบศีลธรรมนี่แหละเป็นเหมือนกับวันณนะ้เป็นชื่อเสียงเกิติศัของเราที่ผ้าเรามีแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่ ชื่อเสียงของเราจะระเบือไปว่าเราเป็นคนมีศีลเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนที่มีโอกาสบ้างอย่างนีนะ้ก็ต้องพูดไว้สั้นๆว่าให้หาความสุขที่เกิดจากในภายในมากขึ้นนะมีรายละเอียดยังไงนี่ไงศีลไปปฏิบัติศีลศีลนะนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมันอยู่ที่ใจเราแต่เพรา ะ, ะนั้นเราแค่ตั้งใจที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รู้ผิดในกรม นะบางคนบอกว่าโอ้ฉันก็มีมาตั้งแต่ตอนที่ทำงานอยู่แล้วเออนี่ดีดมากเลยนะซึ่งหลายๆคนอาจจะมีไม่ได้ใช่ไหมพอเธอมามีได้ก็ดีละงั้นก็ให้ทำให้มากยิ่งขึ้นนะในการที่รู้จักการให้การบริจาคใช่ไหมมีศรัทธาฟังธรรมะไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าใช้คาว่าเครื่องอยู่เครื่องอยู่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าอย่างเรามีบ้านเนี่ย เราไปไหนมาไหนเราก็กลับมาบ้านใช่ไหมไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทำงานก็กลับมาบ้านก็มีบ้านเป็นเครื่องอยู่จิตของเราก็ต้องมีเครื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็ให้เอาบุญกุศลของเรานี่แหละเป็นเครื่องอยู่ถ้ามีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่ตรงนี้จิตเราจะไม่เหงาไม่ว้าเวไม่เบื่อจะไม่เป็นอย่างนั้นบางคยบอกว่าลาเกษียณแล้วจะต้องหาอะไรทานี่อาตมาก็เคยพบข้าราชการบางคนนะคุณเตือนใจ เงินที่เขาให้เขาเรียกว่าอะไรบําเน็ตใช่ไหมบําเด็บนานได้เงินมาก้อนหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นฉันต้องหาอะไรทาเอาไปลงทุนลงทุนเปิดร้านบ้างลงทุนในหุ้นบ้างลงทุนให้ลูกไปทำนั่นนี่บ้างปรากฏหมดเลยก็มีแทนที่ว่าจะหาเครื่องอยู่ด้วยการทำธุรกิจเพิ่มอันนี้ก็ได้นะเราก็ต้องดูให้ดีแต่ว่าเราต้องมีเครื่องอยู่ทางจิตของเรานะเรามีโอกาสบ้างแล้วอย่าไปหาปัญหาเข้ามาในตัว ให้เอาโอกาสว่างนี้ในการสร้างศิลธรรมอันดีในจิตเราอืใช่ค่ะอืะแต่ถ้ายังไม่เคยมาคิดยังไม่เคยแล้วก็จะมาคิดว่าอันนี้เบื่อนะไม่ใช่สีสันในชีวิตอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะให้ลองทําดูก่อนใช่ค่ะนะให้ลองทําดูก่อนถ้าเผื่ว่ามันไม่มีจริงไม่เป็นจริงนะคุณเดินชัยมันจะไม่มีพระสงฆ์อยู่ในในโลกนี้เนี่ยใช่ค่ะนะถ้าคําสอนหรือว่าไม่เป็นจริงไม่มีจริงเนี่ยนะ คนที่พิสูจน์เขาก็จะไม่เห็นจริงใช่ไหมเพราะเห็นไม่จริงเขาก็จะไปประพฤติปรมจันทร์ไปทำไมปฏิบัติไปทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นไ ง, งแต่เพราะว่าทําแล้วมันได้จริงทําแล้วมันเห็นผลจริงทําแล้วเราใส่ความพยายามเข้าไปเนี่ยมันต้องได้อันนี้พระเจ้ายืนยันไว้อะน ะ, ะพอเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้ผลได้ผลเราก็ลองมาพิจารณาก็ได้ว่าเราจะทําต่อไหมเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยมีหลายท่านแล้วที่มีค้าราชการบางคน เขาเรียกว่าออกก่อนเวลาใช่ไหมเขาเรียกเอิร์ลี่อิวิทอ่ะจุ๊ค่ะเออแล้วก็จะมีความเบื่องเอาไม่รู้จะไปทําอะไรจุ๊บค่ะแต่พอมาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะในเป็นระดับระดับให้ลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยชีวิตมีความหมายขึ้นมาเลยนะจุ๊ค่ะรู้ว่าฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรจะทําอะไรนะลูกเต้าเป็นยังไงไม่มีลูกเต้ากับญาติเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะมีความสบายใจความอิม่มเอิบใจขึ้นมาเตรียมพร้อมละเตรียมพร้อม การที่จะเข้าสู่วาระใหม่ต่อไปอาตจะมองง่ายๆก็เหมือนเปลี่ยนบริษัททํางานะจากแทนที่จะทํางานให้รัฐบาลไทยใช่ไหมคุณมาทํางานให้ตัวเองทํางานให้พระรุจ้าก็ได้เอาเปลี่ยนมาอยู่บริษัทสมนโคดมคมีข้อกําหนดอยู่หข้อถ้ามาอยู่วัด น, นี่ก็อาหารฟรีเครื่องแบบฟรีทั้งหากเหมือนอย่างพระสงฆ์ อ, อย่างเนี้ยใครที่ออกจากเครือนมาบวชใช่ไหมอาจจะมองว่าก็เหมือนกับเปลี่ยนบริษัททํางาน ใ น, นเครื่องแบบก็ฟรีอาหารก็ฟรีนะมีกฎอยู่4ข้อนะที่ห้ามผิดเลยหมายถึงประราชิก4อ่น ะ, ะแล้วกฎก็อื่นๆก็มีอีกหลายข้ออยู่อันนี้ก็ค่อยทำการศึกษาไปก็ได้นะแล้วงานที่เราทำนี้ก็คื อ, อาการปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นแหล ะ, ะแล้วคนที่มีความรู้ความเรียนทำงานมาอยู่ในระบบราชการนะความรู้ความเรียนของเราเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ เราจะเป็นที่พึ่งของลูกหลานได้เป็นที่พึ่งของรุ่นน้องๆได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่มีคุณธรรมนะคนที่จิตใจมีศีลมีธรรมนะไม่บน่นเกลียวกลาวไปตลอดทางอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ๆก็บน่นอันนี้ก็บ่นเนี่ยมันไม่มีใครจะเข้าใกล้อะเนา ะ, ะถ้าเราทำใจให้สบายนะมีแต่ปิยวาจาออกมาจากปากเนี่ยใครๆก็จะรัก เราก็จะสบายใจต่อให้ไม่มีใครรักไม่มีใครมาคุยกับเรานะเราก็ยังสบายใจในภายในเจ้าค่ะเพราะว่าไม่มีใครเกลียดเราอืเจ้าค่ะเนื่องจากอะไรเราเป็นคนมีศีลธรรมไงอเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีความสงบจากภายในแล้วก็มีศีลธรรมเป็นที่เป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เพื่อทำใจให้สบายตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนได้เมตีตาที่จ ะ, ะแนะนําไว้สําหรับท่านผู้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กําลังจะเกษียณอายุราชการอยู่ในอีก5้าวันทําการที่จะถึงในสัปดาห์หน้านี้นะคะตอนนี้พระอาจารย์เจ้าค่ะในสามนาทีสุดท้ายที่เรากําลังจะต้องอําลาจากท่านผู้ฟังไปเนื่องจากหมดเวลาในรายการธรรมารารุณนะเจ้าค่ะโยมอยากข อ, อถามถึงบางท่านนะเจ้าค่ะตอนนี้เนื่องจากการรักษาสุขภาพอนามัยอะไรต่างๆเนี่ยของ ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยดีขึ้นนะเจ้าคะ่ะดังนั้นก็จะเห็นเลยหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายเนี่ยเจ้าค่ะแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังดูหนุ่มแน่นยังรู้สึกว่ายังจะทําอะไรได้อีกเยอะแยะดังนั้นท่านต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่นึกว่าเราจะเป็นที่ต้องมาเข้าวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตรงนี้เนี่ย ก, ก็มีเหมือนกันนะเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ให้แง่คิดประดาท่านเหล่านั้นนะเจ้าค่ะว่าอาจจะแม้ว่าท่านยังมีกําลังวังชาเนี่ยท่านท่านควรจะปฏิบัติตัวยังไงเจ้าค่ะเพื่อ ให้มีความสุขทั้งในสิ่งที่ท่านอยากทําแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เข้าหาธรรมะด้วยอย่างที่เจ้าได้สอนไว้เจ้าค่ะคุณตุลแต่คุณตุลใ จ, ะจะเคยเห็นพระหนุ่มๆที่บวชไหมเนะี่ประมาณนี้บวชตั้งแต่อายุยังไม่ส า, ามสิบใช่ไหมแล้วก็อยู่มาได้นะคนที่หนุ่มๆบวชเนี่ยเขาก็ทําไมอยู่ได้มาเป็นยี่สิบสมสิปีจนตายคาพระเหลืองในหลวงพ่อดร ok สารเนี่ยบวชตั้งแต่เป็นสามเณรนะเล้วก็ยังหนุ่มแน่นมีกำลังวังชา นะแล้วก็ยังอยู่มาได้ก็เพราะว่ า, ามีความสุขที่เกิดจากในไปไหนคนบางอาจจะคิดว่าธรรมะเป็นของคนแก่แหมต้องหกสิบไปแล้วโอ้ยนุน่นชันหกสิบยังไม่แก่นุ่นแปดสิบนุ่นค่อยไป <c oughs> นะล้วก็อาจะเข้าใจผิดว่าธรรมะนี่ต้องอยู่กับวัดมันไม่ใช่ <c oughs> นะอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรามีศีลธรรมคือไม่จาเป็นว่าต้องคุณกเกษียณนะสมมุติถ้าคุณอยู่ในราชการเนี่ยแล้วมีคุณธรรมอยู่แล้วมีศีลธรรมอยู่แล้วก็ดีดีมากเลย ให้ทําต่อแล้วทําให้ยิ่งขึ้นไปเวลาที่ว่างเราอยู่เนี่ยมันมีที่ละเอียดไปกว่านี้อีกถามว่าบางคนที่ เ, เป็นถึงระดับประลัดอย่างเงี้ยนะมันก็มีรัฐมนตรีนะใช่ไหมรัฐมนตรีก็ยังมีที่สูงไปกว่านั้นสูงไปกว่านั้นก็มีเหมือนการธรรมะเนี่ยที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปกว่านั้นก็มีเพรดังนั้นะถ้าเราเห็นตรงนี้ออลองทําดูใช่ไหมโอกาสว่างมาถึงแล้วนะทําใจให้สบายเราก็จะให้ให้เข้าถึงตรงนี้ได้นะอื ทุกค่ะอันนั้นก็เป็นการสนทนาแล้วก็แง่คิดที่พระอาจารย์พบูลอภิปุโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสอาดิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภะภการท่านเจ้าอาวาสวาดัดป่า ด, ดอนไหสโกรตำบลดอนไหสโกรอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายน2 5งพค่ะซึ่งดิฉันก็หวังใจว่า คงจะได้ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้เป็นอย่างดีทีแล้วนะคะและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านมีประเด็นข้อสงสัยหรือว่าอยากจะทราบธ ร, รมภมิหรือว่ามีปัญหาในชีวิตด้านใดที่อยากจะให้พระอาจารย์พิบูลอภิภุมโนและรายการธรรมาราบรุณได้รับใช้ชี้แจงมาพูดคุยสนทนาสร้างความกระจ่างแกับท่านก็ขอเชิญเขียนจดหมายมาได้นะคะ ที่รายการธรรมรับรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดินแดงถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพ10400ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ เ, เว็บไซต์ของพระอาจารย์ภัยบูลนะคะก็คือเพียวธรรมะ .com ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ๆเจ้าค่ะก็สำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะออขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบนมัสการ ขอพอบคุณและกราบลาพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกกันเพียงแค่นี้แล้วเราจะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่25้ากันยายนเวลาตีหเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้มากราบนมัสการลากันเลยนะคะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอ า, า, าจารย์เจ้าข่ะาชเฉลสาธุเจ้า่ะ